นะเวลาไม่จำเป็นเวลาทำท่างมอยมทำอะไรก็รช่วอาารวั ด, ดจุดจุดหงตรงในนิเวศทางพุทธศาสนา จิตวัดประจำวันเติมเช้าเวก้าหลังยามโบราณท่านว่ายามสินยามธรรมยามสติยามสมาธิยามปัญญาอาจะพอมีหวังได้อะไรบ้างเดาก็มีประโยชน์การชดมนตแต่ระวัง ก็ยาวบางชั้นบางหายใจออกยาวยาหายใจเข้ายาวยาก็มีประโยชน์แต่มีความดันสูงอาศัลมหายใจเข้ายาวยาวหายใจออกยาวยความดันก็ลดสมเหมือนกินยาแช่ความดันสักเม็ดหนึ่งก็ได้ แล้วก็ได้ปอยปวดต้องให้ปอดมีพละมีกำลังถ้วปอดมีกำลังก็สามารถพอกเลือดพอกลมจดือภา่าก็จะดีได้ประโยชน์หลายอย่างดีเวททางศาสนาจิตวิทยาวิธีวัดเป็นพละเป็นกำลังกันหนึ่ง เาก็ได้บรรยากาศที่ดีตอนเช้าเชาอาหารใจอาหารกายอากาศเป็นอาหารจำเป็นทุกๆวินาทีนอกจากอาหารที่กินเข้าประทางตะวันปาด อากาศดีอาหารดีโลมดีแล้วก็เป็นหลายส่วนที่ทำให้มีชีวิตชีวาดีขึ้นและได้พบมิตรเพื่อนโวกรอบดีมิตร ด, ดีจะหายดีเห็นกราเห็นสงเห็นยาเห็นโยมก็อยู่ใน การปฏิบัติกำลังละความชั่วกำลังทำความดีก็เห็นสมณะผู้สงบเป็นมงคลสำหรับผู้พบเห็นด้วยเราก็ได้ปฏิบัติมีสติสติเป็นครูของกายของใจ กายใจนี้ต้องมีครูเป็นการศึกษาพุทธศาสนาอาศดิเป็นครูของกายของจิตใจดห็นเหน ก, การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสิจ่งที่ผิดก็มีจิ่งที่ถูกก็มีถ้สิ่งที่ถูกก็ทำไปสิ่งที่ผิดก็แก้ไข จะแก้ความผิดจะทำความถูกไปเรื่อยๆในถ้าเราม่จติอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่มีที่ปิดบังอภพพางเห็นแม้กระทั่งความคิดที่มันเกิดจากจิตมีสติ เป็นนายทวารบา น, เ ป, น เ, าาเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเรียนลู้ไม่ใช่ครูครสอนที่เป็นผู้เป็นคนอาจารย์าำวิชาต่างๆรูกพลละก็ต้องสอนมาละครู นิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์สาอังกฤษอะไรก็สอนกันไปอันนั้นได้ความรู้ได้ความรู้อาจจะเป็นวิชาชีพอาจจะเป็นปัญญาเหมือนกันแต่จิตสอนมาใช่ให้ความรู้ทำให้เป็น ทำให้มันเป็นไอสัมผัสเอาสติไปสัมผัสกับกายเอาสติไปสัมผัสกับใจเาลาอะไเกิดขึ้นีนกาที่ใจใรู้ให้เห็นเรียกว่าสอนทำให้เป็นเช่นความหลงเกิดขึ้นรู้จักตัวให้เป็น อะไรที่หมายถูกต้องเ <c> ร <oughs> ื่องรู้จักตัวเพื่อนแก้ไขเปลี่ยนร้ายเป็นดีอันนี้ทำเป็นอาดทำให้มันเป็นสอนให้เป็นวิชาสอนให้รู้สติเป็นสอนให้เป็นสอนให้ทำเป็นเราหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเป็น เวลามาทุกเปลี่ยนทุกเป็นไให้ทุกเป็นทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะโบทได้อันนี้ต้องสอนตัวเองช่วยตัวเองทำไปแล้วก็มีสติตามวิชากรรมาฐานมีสติเปนในกายเป็นประจำการมีสติเปนในกาย ลมหายใจก็เป็นกายเรียกว่าอาณาปาปปภะเอาเสติลมหายใจเป็นที่เกาะที่ตั้งไว้ให้มีจิตไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เรียกว่าอาณาปปปภะส่วนการเคลื่อนไหวของกายเรียว่าสัมปชญัญญะปปภะตู้การเข้าเยืเ่อฉนน อ, อก อันนี้ว่าสมปัจญบปปพผะรู้เฉกและเลือกได้เพียงพอความกระตุ้นให้เกิดความรู้เฉกได้ดีจิตปัะภะเกินเข้าไหวของกิตก็ให้รู้เฉกตัวมันเคลื่อนไหวได้จิตมันจริงใหญ่กว่ากายกว่าลมหหวใจ แต่มันละเอียดไม่มีใครเห็นเนการเคลื่อนไหวนีม่มองเห็นกันได้ตาก็เห็นได้คนอื่นก็มองเห็นได้แต่ความคิดไม่มีใครมองเห็นนอกจากสติที่อยู่กับเราที่ตั้งไรเรื่องหายใจเข้าหายใจออกก็อยู่ใกล้ใกก็รู้จกักผ่องโยกพองโยกที่สง อันนี้ก็หมองเห็นแต่ความคิดบอกไม่เห็นจิดได้ที่ลบไม่มีอะไรปรับอบัปบาทได้ปรับทุก ป, ปรับโทษไม่ได้ผิดกฎหมายไม่เป็นแต่ว่าวาจาไราผิดกฎหมายมีคนเห็นมีหลักฐานมีชีพอะไรที่เขาว่ากันทุกวันนี้ จึงว่าจะวัวได้บ้างทางังว่าจาทางกายแต่ว่าใจนี่ไม่รู้จอะอายใครอะไรก็คิดได้สไ ด, ด, ได้ทุกเรื่องทุกเราผิดก็ยังคิดได้ชุ ก, ก็ยังคิดได้โกรธโลกหลงก็ยังคิดได้ มันจะแก้ตรงนี้มีเหมือนกันคนเราคนนี้ถูกกุกถูกอารมย์ยึดเอาใจไปกินไปครองหมดความกดก็เป็นเราไปเลยความทุกข์ก็เป็นตัวตนไปเลยเอาใยให้จิตเป็นใหญ่เป็นโตเอาอารมณ์ ม, มาเ ป, เป็นตัวเป็นตนเอาอารมณ์มาเปนจิตความกดก็คือจิต เปลี่ยนวของังคือคือจิตจริงมันไม่ใช่มันเป็นอาการเป็นอารมณ์ไม่ใช่จิตเดิมจิตจริงๆมวนไม่มีอะไรบริสุทธิ์ไม่เปื้อนอะไรนจิตบริสุทธิ์จิตเดิมนั่นนะแต่นี้เราใช่ไม่เป็นก็เปื้อนกลายเป็นจิตนิสๆยราค่าจะลิด เกิดจากความคิดโตสะจิริดเกิดจากความคิดโมหจะจิริดเขาเกิดจากความคิดทั้งนั้นยังมีสติก่อนที่จะดูจิต เ, เห็นจิตแย้ไขจิตที่มึอาการกกดได้แก่กับจิตได้ต้องต้องเตรียมพร้อมอย่าเปความเปลี่ยนเครื่องเผาจิริด นี่จตีตั้งไว้เพื่อจะป้องกันความอกุศลยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหลังที่เราสาธพรปสูตรสมมาวายามะเนี่ยกที่เจิเนี่ยนีความเพียรนีสตินี่ สันทาประเภทวยามติวิทยาพลวิทยาที่ตั้งปะกนติสัทธาตั้งนั่นมีความเพียรเพื่อจะป้องกันอกุศลที่อยากไม่ให้มันเกิดไม่ให้เกิดขึ้นเอมีความเพียรมีความป้องกันเพื่อละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือจิตติไม่ใช่เอาอะไรไปละ คือทำให้มันเปลี่ยนความลายเป็นความดีหรือว่าละอกุศลเป็นกุศลเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกหรือว่าละอกุศลเป็นกุศลนี่คือศรัทธานี้สติมีความเพียรแล้วก็เมื่อตั้งนั้นเพื่อ ให้สติที่เกิดขึ้นแล้วให้กุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นใั่นก็งามขึ้นให้ไปบบนขึ้นให้เต็มโลกวันนี้เรา ว, ว่าตําเป็นเมื่อละกุศลแล้วกุศล ก, ก็ต้องอยู่ได้นานเป็นเจ้าของสติเป็นเจ้าของขายเป็นเจ้าของจิตใจอันนต้องมีการกระทํา สมุิชากรรมฐานที่ตั้ ง, งการกระทโดยเฉพาะสรรมุจชาบับพพะนี่มันชัดเจนมีสติ ด, ดูกลอยเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดนั่นน่ะมาเลยเปิดเลยของที่ขั้วเปิดออกโผล่ที่คัวไหยขึ้นของที่ปิดเปิดออก ก็มีจิตดตดิเหมันเป็นอย่างนี้ว่าแตอย่าไปเข้าไปเป็นกับมันอย่าเข้าบันเลความคิดจนเป็นถูกเป็นทุกข์เป็นไ ป, นปนความพอใจไม่พอใจหรือว่าเข้าไปแล้วถอนออกมาอะไรเกิดจบ ก, กายกา็มันก็เข้าไปแล้ว เวทนาหาคือเราเสียเราปวดเราเมื่อยสุขกับเวทนาคือเรารู้เราสงบเข้าไปเป็นผู้สงบก็ไปเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้ผิดผู้ถูกเสียน่ะมันไปแล้วอย่าให้ไปถึงโน่นให้รู้ให้รู้สักตัว ถอนออกมาการลูบศักดิตัวคือถอนออกมาไม่ใช่เอาเมือไม่ใช่เอาตัวนี้ไปไหนในการรันสอนกายในใจมันสอนจิตใจถ้มีสตินะพระชาวาบ้านดาราควงสติพระชาวอีสานโฮเมียโฮเมียตัวเหมือนลูกดอนหลับไหวไม่บ้านพ่อแม่ขึ้นไปปลูกให้ตื่น เอิ่นล้ยังตื่นแล้วตื่นแล้วบางทีไม่ตื่นก็ลากแขนขึ้นต้องมาตื่นแล้วมาช่วยตัวเองนี่คือหูมีตาตื่นแล้วรู้จักทิบจักรทองภาษาปังการกวกความรู้จักความระลึกได้เียว่าภาษาทยภาษามาลีรียว่าสติสัมปชัญญะ เวลาเขาจอนเขาจะเรียกอย่างไรสอนจีก็เรียกแบบหนึ่งสษาจีนก็เรียกไปอย่างหนึ่งก็คือก็คือความรู้จึกระดึกได้นั่นแหละเดียวกันใครก็มีเหมือนกันแต่รู้จึกระดึกได้ได้เปลี่ยนความผี่เป็นความถูกต้องแล้วก็เหมือนกันทุกคนความผิดก็เหมือนกัน แต่เป็นคนละวาละต่างวาละกันสิ่งที่คนหนึ่งผิดเราอาจจะไม่ผิดบางคนไม่ผิดสิ่งที่คนอื่นเป็นทุกข์บางคนอาจจะไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่คนอื่นเป็นทุกข์นั้นอ้ออะไรเพราะหัดตนสอนตนมันก็ต่างเก่าพ้นภาวะเดินหน้าจึงมีสติเป็นครูของกายของใจ เรียกว่าได้บทเรียนได้ประสบก่นว่าสิทธะไปเรียนเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นครูของพระ อ, องค์ตราทุ่งงโดยโชอบเหมือนปัญหาสงครามยันโทรเลอคุณของพระเจ้ามีสองคืออะไรใช่ไหม ปัญหานักทำแต่ดูพุทธประวัติคุณของพระเจ้าสองอย่างคืออะไรเหมือนนาสงว่ามันไม่เคยตอบได้เลยตอบได้บ้างไหมเราคุณพระเจ้าไม่สองหมายถึงอะไรตัดรู้่างโดยชอบไม่เคยเป็นครู แล้วสอนคนเดินลู้ตามในชื่อว่าสมหาสมพุทธโทนี่คุณของพระพุทธเจ้าประเสริดด้วยพงเองยกให้พระธรรมแน่แล้วแน่แล้วสอนเขเดินลู้ตาม <c oughs> ง่ายนี่เรียก ว, ว่าเมื่อพระพุทธเจ้า เราเ จ, จาริญเจรนี่เกิดเป็นพุทธะขึ้นมาไม่มีใครมาสอนได้ศีลก็มาได้ขอจากใครถ้ามีสติก็เล่าความชั่วถ้ามีสติก็ทําความดีถ้ามีสติจิตก็อดจุดนั่นแหละคือศีล น, นั่นแหละคือล่าความชั่วนั่นแหละคือทําความดี <c oughs> เรามีชะตินี่มมนก็ไปกันหมดเลยเราจึงเอาชะติเป็นครูของเราไม่มีใครเห็นตัวเราเท่ากับตัวเราจรึงจะเป็นต้องมาทำอย่านงนี้เพียนแต่ละาเป็นมิตเป็นเพื่อนผู้แวดล้อมดีมิตร ด, ดีจะหายดี เคลียร์เป็นกองเคียร์เ่็นแนวร่วมละหลายหลายส่วนผู้ปุงอาหารก็ปุงอาหารผู้ผ่าเพื่อนก็ผ่าเพื่อนผู้ตำข้าวก็ตำข้าวผู้ดูแลอะไรก็ดูแลไปเพื่อให้ได้อยู่ในการปฏิบัติ ผู้ที่มาอยู่เพื่อปฏิบัตินถ้าเรากำลังช่วยคนที่เราความช่วยทำความดีมันก็เป็นมันก็เป็นกนุศลคนจะได้เกิดคนดีเกิดขึ้นจะได้ช่วยกันไม่ใช่โจรผู้ลยอยยังยินดีกับพวกเราที่มาปฏิบัติเนี่ย เหมือนกับมีที่พึ่งมันมีอยู่จริงเมื่อสอนเป็นแล้วทําเป็นแล้วมันไม่หมดมันไม่ลืมมันลืมไม่เป็นเพราะเห็นหลักฐานรู้จากรูปรู้จักนามตามความเป็นจริงรู้จักการที่เกิดขึ้นกับรูป ก, กับนามมีมากบางหลายอย่างกิเลสก็พันห้าตะนาก็ร้อยแปด มาเกิดขึ้นในรูปที่นามนี้ก็จะได้เห็นไดแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมามันก็จะบดเป็นคุ่นเป็นหลุดพุ่นเป็นจะเป็นชีวิตทีวาที่ดีที่ประเสริฐเรื่องมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ <c oughs> ยิ่งปฏิบัติธรรมได้ ประสบการณ์ได้บทเรียนเลยลประทํามแล้วมันก็เหล้วประเสริฐเงินเหมือนเงินเฉลินเงินล่างก็ชื่อไม่ได้อุเจ้าวว่าปรมจัน์นี้น่าดื่มเงินมันดะโยดโดชาแห่งโกรถมันดะขึ้นดวงที่มันหาได้จาก นวัวมาออนัน่ดยอดโอชาแห่งกคหลถโกุหคือกวัวเอาแม่วัวที่เลี้ยงดีอาหารดีกำลังแข็งแรงดีเจ็ดรอยแม่มารีดดมอดมวัวที่มีกำลังดีแข็งแรงดีอาหารดีรวมกันเจ็ดรอยตัวไปทำเป็นเนยข้น น้อยแข่งโอชาโกโรลเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพียงเจ็ดร้อยตัวห ล, ง, หลงตาก็มีเลยคนที่ยอมมาให้ช่วงปฏิบัติเข้มที่ผ่านมาว่าเขาทำเองเอาไว้ฉันดูเอว่าจะมาให้เพื่อนฉัน แบ่งกันคนล้าก็ล้วก็ดูอ๋อนี่ก็พอมดีรสแต่มันไม่ใช่มันด่าที่แท้จริงไม่ใช่ได้จากแม่วัวเ0 0ยตัวตั้งใจทำจริงแบบนั้นนมวัวที่แสงงแางเ0 0ลยตัวว่าเจ้าโศกไปลดต้นโฮที่เขาถูกฆ่าตายยังคืนมาได้ ต้นโพธิที่ถูกฆ่าตายไปแล้วแต่พระเจ้าโศกได้รักนอนเฝ้าจะพยายามให้ต้นโพตนนี้เกิดหน่อขึ้นมาอีกอาศสยนมโโเจ็ดร้อยตัวในรถล้างจนหน่อโพเกิด ข, ขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้ อันนี้ก็เป็นไปได้มันดับมันดัเนี่ยอาจานเป็นวัตถุแต่รสพิษท ร, รมันมั น, ม, นมันประเสริฐกว่านั้นจึงไม่มีวิธีใดที่จะบอกที่จะเผยแพร่เพื่อให้คนที่เกิดมาได้สัมผัสกับรสพธรรมเช่นนี้สับพะรดสังธรบมรดโฉขิีาะติ สัพพะละสังถะ บ, ล า, ถ บ, ล า, ถบาลสโสดถะบาลังตังมัลติชินาติพระเจ้าทางสันเสริญเนี่ยรดพระธรรมแน่อจึงไม่มีอันใดที่จะช่วยบรุษโลกไม่ดีที่สุดนอกจากวิชากรรมฐานมีอยู่จริงมักข้ผพานมีอยู่จริงในชีวิตของคนที่เป็นๆอยู่เนี่ย ว่าแต่ฝึกไปทางนี้มันมีทางอยู่เยอะแยะเลยเราไม่จนเรื่องนี้มีพระสูตรมีบทเรียนมีการศึกษาด้านปริยัติก็มีนี่ก็มีผ้าสอบด้านปฏิบัติก็มีหลักฐัศน์ทุละการศึกษาเราเรียนวิปัจนาทุละการนำมาปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นไปปฏิบัติเป็นแรงบเนดาลใจเป็นสองที่เราร่งเพลงสมัยเป็นเด็กนักเรียนเจ้ามาเคยมีครูสอนแต่ว่าเมื่อสอนไปสอนไปก็เลยมีหนังสือเกิดขึ้นมาเขียนไล้ เป็นพระไตปรนนปิฎกอนุบรรพุจำมมาหลายรูปเป็นผู้จำมานี่ก็ถามอาอนุพุทธประวัติอนุพุทธบุคคลคือใครก็คือพระสาวกในความสำคัญยังไงสำคัญเช่นนี้มีผู้จำมาสมัยพระเจ้าแสดงธรรมว่ามีเทพ ไม่มีชีดีไม่มีอะไรบันทึกไปเหมือนทุกวันนี้นอกจากวสาวกที่พากกันจำไปแล้วจำได้แล้วก็มาร้อยกองไวบันทึกกุญเจ้านนี้ผ่าไปต้องสองสามร้อยปีทัจะต่อกันมาแล้วก็มีคำถาม พระสาวโกโลกใดไม่กตัญญูกตเวทีนนเนี่ยอนุพุทธะเนี่พระสาวโกโลไหนมีกตัญญูกตเวทีมากที่สุดพระเจ้าจตุเสิญเป็นเอตตะคะในทางนี้ก็มีพระสารีวุตรเนกตัญญูกตเวทีสมัยหนึ่งมีพราม์สุภะทะปริบาชกเป็นพราแก่บ่า ม, มีญาติพี่น้อง มีศัทธาต่อพระพุทธเจาจะนาอยากบาบวดหนาภาคม่มีหาบาทไม่มีก็พระพุทธเจ้ า, าถามพระสงฆ์พระสาวกเน่ยอนุพุทธพุทธาเนี่ยคือพระสาวกพรสงฆ์ทั้งหลอยวิจุทั้งหลอยพวกเธอเห็นคุณประโยชน์ของสุภ ธ, ธาปริปาจกคนนี้บ้างไหมกลายเป็นผู้ประกาะ พระสารีบุตยกมือขึ้นกราบทูลว่าข้าพระเจ้าเห็นคนของสุพัทอดคนอะไรยสมัยหนึ่งสุระทอดในเคยใช้บาดให้ทับผีดังจำไม่ลืมเลยเออถ้าเชนนั้นจะไปบวชให้เขาหาผ้าหาจีวรให้เขาก็ายกให้สารีบุตบวชนี่อุปการละคนคือสาวกโลกนี้ นอกจากนั่งก็ตอบแทนบนคุณมันดาบิดาก็คนที่สองคือตอบบนคนเทินบิดาบันดาว่าจะแดงปวดประหลาจนเป็นพระรหันมีน้องสาวมีพี่ลูกน้องชายเท่าไหร่เอามาบวชหมดเลยเออน้องเอาพี่มาบวชหมดเลย เลเลือแต่แม่แม่ก็เลยให้กลับบ้านไปสอนให้ด้วยได้สอนแม่จนได้เป็นพระหันบัลลีพานที่บ้านเกิดเดดารันธาสาธิบุตเนี่ยใกล้ๆเราจะคือเราขึ้ น, ขนเขาคิดจูดเป็นหูวข้าวหัวน้ำนารันธาในบ้านสาธิบุตเนี่ย เป็นุ่มเจ้าสำรานโมกันลาเป็นเพื่อนกันชวนกันออกบวชแล้วก็เราขึ้นเขาที่กูดบองไปดาลันธาเนี่ยเห็นทุ่งนาเห็นขันนาเหมือนผ้าชีวรผ้ <c oughs> <c oughs> าชีวรที่เป็นตัดเป็นรูป อาตั้งกุีอาดูวาดได้มาจากดารันธาขึ้นไปเขาชี้จักูดบอกลงไปที่ตะวันออกจะเห็นขนาดนารันทาเหมือนผ้าชีวอนเราเนี่ยเพาอันโดนเป็นคนออกแบบแต่ก่อนก็เผินเผืนใหญ่จุวันบลักษณ์พระเจ้าเลยหาวิธีเอาอย่างไงดีก็เลยเออกแบบเนี่ยตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาเย็บติดต่อกันให้เหมือน ทุ่นาลานธาอาโนนเป็นผู้ออกแบบจนในแค่จีวรรูปนี้มาทุกวันนี้ก็คือสาวกฤหั ต, ต, ตพจจุพุทธะีนพระสวดต่างๆพระโนนจมเจงวุเดจนะเจงที่สวดพระเจ้าเสนาคือใครมีอิทธิฐานาคารแสดงธรรมกาย ก็คือพมหากระกจจดาเนี่ยเลิศอธิบายระจิตีน้อยๆให้กว้างใหญ่ไปสอนอธิบายระจิตีแย่ว้างใหญ่ไปสอนไล่น้อยๆเพ่ เ, เจงแล้วก็รูปกรรมว่าพิจุดีสองพิจุลีต้องหน่อยชอบในบนไม่แสดงธรรมจะว่ารูปของมหากระกจจนาเลย แต่ไม่เป็นรูปบนล้วนเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่รูปมาหากระจาะหน้าอนี้นี่ก็คือแสดงน้มเจงนอกจากมาหากะปะปะาระจายด้าลําะนานนนนนนนนนนสนนนนนนนนนนนนเขนาไปนนนนนนนนักสกนนนนนนนดีมากนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน ถวายของดีๆให้พระอนุนแล้วก็แย่งกันไปเทศปลดผู้หญิงจนได้ตั้งวินัยขึ้นวันนี้อาจจะถามนวีนไหนนะทำไมจึงว <c oughs> ันหยาดะวัญหยาดะพิจูดที่สมไม่ได้ชมมุติสั่งสอนนับพิจูนีพิจุไม่ได้ที่ไม่ได้สมมุติไปสอนนะัพิจูนีต้องอับบัต พอแย่งกันไปแย่นปฏิบัติตามนี่ยีแต่ผู้หญิงใ่บาตรก็มีแต่ผู้หญิงแล้วป า, าจีวรที่เราได้ถือผ้าก็ถิน่นนี่กบผู้หญิงามหน้าผลนี่ก็ผู้หญิงเป็นผู้เกิดจต่าคิดขึ้นมามีผ้าหม้าผลชายมีผ้าจีวรทอดกระถินเนี่ยมีผู้หญิง เต่บัวมหาปจิการเลยวะจุดอะไรนังอะไรฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่่าฮ่อนี่อนานเนี่ยยังมีประวัติอันนี้เอ๊่นัน ก, ก็มีประโยชน์เราเรียนปริญญาต์เน่เราเรียนปฏิบัติการไปสอดห้องอันพอดีปฏิบัติเป็นหนึ่งปริญญาต์เป็นสงเนะี่ยปฏิบัติก่อนค่อยไปสอบ ไม่เคยไปเรียนห้องเรียนนักเรียนบัาป่าจุกุโตไม่เคยเนห้องเรียนเลยสอบด้วยตนเองดูตนเอ ง, อเองปฏิบททัติทำไปก็สอบไปไอ่จบแล้วทำกันไปจนมากแล้วอันนี้จะเป็นโคได้เวลารู้จิตพุจธเกิดสุดท้ายไาหลังยิ่งเรามีปฏิบัตินี แต่นี่เกยมสอนศาสนายิ่งกว่าพระศาสานาที่มาอยู่ดดเน่มาจุประเทศใดเนี่ยนาคาลิกะธรรมปาละประเทศจีลังกานะเป็นโยมนะไปเผยแพร่ไปค้นคว้าไปฟ้องร้องเอาคืนเอาพุทธกิยาคืนมาเอานารันธาคืนมาเอา บายสิประละเคืนมาเป็นของพวกฮินดูไปทั้งหมดแล้วได้หลักฐานสงสารต้นจีมาหาโภคนารันธาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอนณาการิกะธรร ม, มปาละ่วยช่วยจอดสายเคลื่นมาจะมาถึงเขาจห้หัโศกคืนเึ้นมาจะมาถึงส่งทูตมา ก็สาวกนะทูตมองบางไทยเราเนี่ยเรียกว่าก็สอนนะโรดิเวตาพระอะไรสองโลกเนี่ยก็สาวาากน่ะมางมีความสำคัญพวกเราเป็นนักบวชนี่ก็ก็สืบต่อคุณสอนต่อมาเรื่อยๆมออาจนถึงวันนี้อันเดิม มีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดลูกขุนเจ้ากับชูเขียนเข้ารู้จักตัวเหยื่อฉันดอกรู้จักตัวในวันตัดสรู้นั้นจะในบางมานวิชัยแต่ก่อนอาจจะนั่งนี่ก็ยกมือมานี่บางนี่ก็ตัดสรู้บางนี้เกิดปัญญานะ เราก็สอนกันตามฉบับเดิมมาใช่ของใหม่ของเก่าๆแต่แท้เนี่ยมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนี่หลยสัมปช า, บบ า, าปะบับพระอนาปาบพระหายใจเข้าวริกรรมพูดโตพูดโตก็อีจิตบับพระเห็นความคิดได้สอนจิตเรียกว่าจิตบัพระอันเดียวกันแต่ท้ ไม่แปลกเลยให้ตัดสินใจสมศึกษาแล้วนี้กันบางอย่ารอเวลาให้รีบด่วนสักหน่อยเรามีความทุกข์เป็นเบอหน้ามีจริงๆความแย่ความเจ็บความตายมีจริงๆแพ็ตพากแต่ของเล็กของชอบใจมีกันทุกคนเราจึงมีวิธี น, นี้นตอนนั้นที่จะทําให้เราอยู่เหนือจริงเหล่านี้ได้ ให้มีความุกไปยาวนาให้สมให้เข้าถึงสัจธรรมตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นอยู่เนี่ยก่อนนี้ก็สมควรตก็ตตพระพ้องกัน